พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อออกมาจากวัดพอมาถึงวัดรวมธรรมก็ช่วงบ่ายก็ได้มาประชุมหารือในพี่น้องเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเจดีของหลวงตาหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกัน เพราะว่าพี่น้องมีหลายคนการทำงานในชุมชนกลุ่มคนหลายหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นแปแตกต่างกันเพราะนั้นเวลาเวลาประชุมกันหลายหลายคนเนี่ยไม่มีทางไม่มีอย่างอื่นที่จะดียิ่งกว่าถ้าประชุมกันแล้วก็ถ้าทำงานไปแล้วก็มีปัญหา หรือความไม่เข้าใจบางจุดนานาจิตตังนาน า, นาทัศนะคล้ายๆว่านานาความคิดเห็นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการประชุมหารือกันพอทำไปแล้วก็ต้องหันหน้าเขาหากันหารือกันจะไปปล่อยให้ปัญหาในเรื่องนั้นๆลุกลามถ้าสรุปไปไปแล้วคือเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาขององ์องหลวงตามหาบัวเนี่ยเหมือนกับกิ่งคือมีหลายขาลักษณะอย่าง น, นั้นนะแต่ถ้าว่ามันไปในแถวเดียวกันต่างขนต่างก้าวไปในข้างหน้ามันก็ดีแต่บางคนมันขาบางขามันหลายขาใชอาจจะขาเป๋มันคล้องขาตัวเองเพอเพอกิ่งคือตกหล่อลขวาน นีคืลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะพวกเราทางว่าไม่มีการไปชุมหาหรือกันอาจจะมีโอกาสได้ง่ายแต่ทั้งยังไงก็ตามทุกคนให้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นเพื่อจะเชิดชูบูชาวงหลวงตาแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าว่ามีความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองกันในแง่ร้าย คนนั้นไม่อยู่อย่างนั้นคนนี้ไม่อยู่อย่างนี้อาจจะเป็นความคิดของตนเองก็ได้แต่ตามไม่จริงเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดก็ได้แต่ถ้าว่ามาทาความเข้าใจกันแต่ที่งยังไงก็ตามหลวงพ่อพูดได้เลยว่าเจดีของหลวงตาเนี่ยได้ทั้งนรกได้ทั้งสวรรค์ทำไมพูดอย่างนั้นถ้าใครเจตนาไม่ดีกรพร้อมที่จะลงนรกได้ มาสะแสวงหาผลกำไรในการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาถ้าว่าผู้ใดมีเจตนาดีมีเชิดการมิเชิดชูบูชาด้วยศรัทธาคนนั้นก็ไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะดยทำด้วยเจตนาดีคำว่าเจตนาดีและเจตนาเลวอย่างเนี้ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเอง ตัวของท่านเองนั่นจะรู้ว่าดีหรือเลวเข่าวว่าคนไปบอกว่าคนเจตนาไม่ดีนะก็จะโมโหให้เขาเแต่ตามไม่จริงมันก็เป็นอย่างที่เขารู้ อ, อ, อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่มันก็สองอย่างแต่สรุปแล้วก็คือตัวเองนั่นนะรู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะนั้นเวลาจะมีการใหญ่หรือมีการประชุมหาหรือระหว่างการ จะสร้างอันไหนก็ตามนะจะเกียงเกี่ยววัดว่าศาสานาสาลงสาระ อ, อ, อะไรก็ตามภายในวัดแน่นละจึงมีการประชุมหารือกันในพี่น้องในกลุ่มของเราถ้าหาากลุ่มของเราไปไปด้วยกันไปได้ดีงานชิ้นนั้นถึงจะหนักหนาก็เบาแต่ถ้าหาว่าคนในกลุ่มไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถึงจะเบาก็หนัก เพราะมันหนักอยู่ที่ไหนมันหนักอยู่ที่ใจของแต่ละคนเออมันเห็นก่อน้วมันคว้างอยู่ในจิตในใจนะมันหนักนะไม่ใช่หนักบบานะบางเสียงบางอย่างก็หนักบบาแต่บางเสียงบางอย่างหนักหัวใจนะแต่ถึงยังไงก็าตามถ้ามีทางออกด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีเจตนาดีนะถ้าว่าเป็นภาะชนแล้วก็ไม่มีทางออกนะมีแต่ห้ำหั่นกันประหรัประหารกันแตกแยกสมัคคีกัน ไม่เดินไปด้วยกันอันนี้พารละชนแต่ถ้าบัณฑิตนักปราชญ์แล้วต้องหาทางออกต้องหาทางเดินว่าอันไหนผิดอันไหนถูกรู้ไหมผิดรู้ไหมถูกรู้ไหมควรไม่ควรมันมีทางมันมีสองทางด้วยกันนะถ้าว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั่นคิดไปนั่นมันไม่ถูกแล้วก็กลับตัวกลับใจใหม่หันไปในทางที่ถูกต้อง นี่แหละถ้าเป็นนักปราศนะถ้าเป็นภาลแลชนแล้วก็ดันทุลังไปเรื่อยหมู่พวกเพื่อนบอกยังไงก็ไม่ฟังแต่ที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานอย่างพระเทวทัตอยู่ที่พระพุทธองค์เสด็จประทับที่กรุงราชจะคือวัดป่าเวลวุวันพระสงฆ์ทางหลายก็ไปกล่าไปเตือนพระเทวทัตเอ้ยท่านเทวทัตท่านก็บวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ แล้วก็ทำคําสอนทั้งหลายก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เป็นผู้แนะนําอติเลขกขลาบทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะว่าอติเลขกขลาบเกิดขึ้นเพราะาในธทำคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านและชนได้ ย, งงททยินอย่างนั้นพระเทวทัตได้ยินอย่างนั้นโมโหขึ้นมาทันทีไม่ใช่ผมบวดเอง ผมได้รู้แจ้งเห็นจริงเองอาติเลกเกิดเกิดมากับผมเองไม่ได้เกิดกับพระพุทธเจ้าสักหน่อยพระนัญามาโพธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้มีบุญคุณกับผมเลยนี่แหละคือผละชนพระทั้งหลายได้ยินของโอ้ทำไมขาดนาดนี้แต่ตามไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพุทธทั้งหมด เพียงแต่ว่าความอิจฉาในจิตในใจเท่านั้นเองที่ทําให้ตัวเองตกต่ำํำนี่แหละถ้าหาว่าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาถึงจะไปชุมถึงจะหารือถึงจะพูดกล่าวกันยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะคนนั้นไม่อยากเข้าใจแต่ถ้าหาว่ามันจะเข้าใจหรืยังไงมันก็เข้าใจอกับตัวกับใจพฤ่ิเสีงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราชาเราทํามาเพื่อบูชาพระคุณลงตาอีกไม่กี่ปีหรอกเราก็ตายไปแล้วเราอยาไปคิด วานสร้างขึ้นมาแล้วจะรักษาอย่างไงจะทํอย่างไรอันนั้นคิดให้งอเนี่อถ้าคิดให้งอต้องต้องคิดอย่างนั้นถ้าโง่ถ้าโง่คิดต้องคิดอย่างนั้นนะอถ้าฉลาดที่ถึงข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนะในเมื่อตายไปแล้วน่ยข้าพเจ้าจะไม่ไปไม่เป็นไม่ไปเป็นผีเฝ้าเออจะไปไม่เป็นลูกข้าเทวดาเฝ้าขุมทรัพย์เฝ้าเจดีย์โดยเด็ดขาดน เนี่ยบอกมีเรื่องราวแล้วก็จึงมีธรรมขึ้นมาในใจพระพุทธเจ้าทธนวัฒน์มีอะไรขึ้นมาไม่เข้าใจขึ้นมามันประชุมกันเรื่องนิดเลยอปรรหานี้ธรรมทําเป็นไปเพื่อความเจริญเจริญโดยส่วนเดียวรเรียกอภรรยานี้ธรรมมันประชุมกันเรื่องนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิก และพ ร, พร้อมกันทํากิจที่ได้ตกลงไว้แล้วนั้นจะทําอะไรให้ช่วยกันทำนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสเอาไว้นะแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วดีแล้วนะเราก็ไปต้องห่วงเพราสร้างเสร็จแล้วก็บูชาเทิดทูนบูชาแล้วก็บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของแต่ละทนแต่ละท่านแต่ละคนใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนิพพาน ใครจะไปนรกฮ <c oughs> กระจุดนั้นแหละอถ้าว่าใครก็ตามจิตเจตนาไม่ดีเป็นอกุศลก็ไปนรกเออถ้าว่าเจตนาดีก็ไปสู่สวรรค์ถ้าภาวนาพ้นรุ่ทุกข์ในวัฏสงสารก็เข้าสู่นิพพานด้วยอนิสงฆ์บุญกุศลเกื้อกูลห น, นุนอแต่บางคนเป็นห่วงเอยเมื่อสร้างพระอะไรความหวานกับเป็นห่วงพ อ, อเป็นห่วงขึ้นมากับเป็นผีระบาด <c oughs> เป็นภูมิมะเป็นภูมิมะลุคะเทวดาเอยแต่จะว่าผีทีเดียวก็ไม่ใช่เอยเป็นภูมิมะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังหลวงปู่จามเป็นหลวงอานะเหลวงอาหลวงอาจาย์่ะเป็นเอท่านอายุร้อยสี่ปีที่ท่านมรณภาพที่บ้านห้วยทรายหลวงพ่อกในฐานะเป็นหลานหลวงพ่อก็เจดิบสองปีแล้วนะลูกหลานเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อก็เป็นพาน้อยพานหนุ่มติดตามท่าน เวลามาท่านก็เล่าเรื่องราวให้ฟังประสบปการณ์ขณะที่ท่านไปเดินทู้หลงในปา่าอไปทางเชียงใหม่ไปแถวไหนไปถึงนู่นน่ะถอยอินทนงอินทนน์ดอยลงดอยล่างแปลว่าแถบนะั้นท่านหลวงปู่ชอบกระหลงปู่ยำหลวงปูงป่ตื้อไม่ได้เหยียบเขานะแปลว่าไม่มีนะเมอเชียงใหม่แม่ฮองสอนอแถวเชียงราย อแถบนั่นละ่ะลำโพงลำปางแถบภาคเหนืออแต่ก็เล่ า, ลาประวัติของท่านท่านก็ไปที่ไหนบ้างอากาศหนาวยังไงบ้างแต่ก็เล่าให้ฟังโอ้น่าศึกษานะหนาวฟังอแต่ท่านเล่าตอนหนึ่งออท่านบอกว่าไปวิเวกกับหลวงปู่หนูปู่หนูวัดดอยแม่ปังเนี่ยที่หลวงพ่อไปจำภาษาปีพันห้าร้อยสิบเนี่ยมีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนู อยู่ที่วัดด้อยแม่ปังอำเภอรพระเจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อไปจำพรรษาปี2510นะลูกหลานนะบางคนอาจยังไม่เกิดนะหลวงพอ่อขนาดได้ได้พรรษาสามพรรษาที่สามของหลวงพ่อดีในี 52, ้ห้าห้าสิบพรรษานะลูกหลานนะหลวงพ่อในห้าสิพรรษาเฉ พ, พาะพระนะเป็นเน้รอีกแนะปดแปลว่าหลวงพ่อมาบวชมาหกสิปีนะ อายุเจ็ดสิบสองบวชมาหกสิปีหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตฝากไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนานเป็นเนรแปดเป็นผรห้าสิบสองแต่นี้หลวงพ่อเป็นปีพรรษาที่สามจำพรรษาหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูที่วัดลอยแม่ปังอาเภอพร้พาวนะแต่หลวงตาหลวงอาจารย์ทั้นก็เล่าให้ฟังสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยววิเวกกับหลวงปู่หนู ปูนู้ที่อยู่กับหลวงปูแหวนเนี่ยนะภาษาก็คุกคีกันใกล้ๆ ก, ก, กัน เ, เลยไปเที่ยวทุดงไปทางอำเภอฝางาจังหวัดเชียงใหมนะ่เนี่ยตอนนี้ก็ไปศรัทธาญาติโยกพาไปไปถึงหมู่บ้านหนึ่งพอไปถึงหมู่บ้านก็าถามญาติโยงเอ๊ะที่ไหนที่เป็นที่สงบวิเวกมีไหมแถบนี้เขาเขาว่ามีอยู่ตีนเขานะั่นแหะ แต่มันเป็นภูเขาเหมือนปลาช่อนเนี่ยนะปัวยาวมันเป็นหลังกลมๆลักษณะนั้นนะแต่มันอยู่ตีนมันอยู่ปลายหางปลายหางหางปลาช่อนว่างั้นแต่อหัวมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยเขาก็บอกว่ามันมีเจดีย์เก่าอยู่แต่ว่าผีดุท่านนะผีดูนะตรงนั้น่ะโดยมากพอไปภาวนาเนี่ยพระไปพระธุโธงไปเนี่ยบางที แบกกรดหนีกลางคืนเลยนะผีผีไล่ผีไม่ให้อยู่เหมือนกันท่านก็ทั้งสององค์เนี่ยกำลังห้าวหารนะเหมือนกันเถอกําลังเป็นหนุ่มอายุประมาณสามสี่สิบปีเนี่ยพรรษาก็สิพรรษาก็สิบกว่านะเนี่ยอกําลังไม่กลัวใครเหว่างั้นเถอะผีมากับต้องไปเชิญหน้ากับผีเหนะล่างั้นหลวงปู่จามหลวงปู่หนูทีนี้เขาก็พาไป พาไปก็ไปดูเห็นพระเจดีย์จริงๆพระเจดีย์มันมันมันมันหักพังลงแล้วนะแต่ก็มีกำกำแพงแก้วยังมีอยู่ยังล้อมรอบอยู่เออแต่มีตาพระขาวไปคนหนึ่งที่พระขาวเป็นเป็นผู้ประถัประทากนะ่ะไปด้วยการพระไปสององค์พระขาวคนหนึ่งเยออแต่พอฉันยังหันอย่างเนี้ยอย่างเช้าเนี่ยถ้าฉันยังหันแล้วเดี๋ยวจะพาไปไปไปภาวนาอแต่ว่าผีดูนะ ไอตาพระขาเนี่ยอวดเก่งเหมือนกันเถอะเฮ้ยไม่หักัวทาไมผีถ้าเห็นขนะะ้าจะเตะให้พอเตะให้ดูเหมือนกันพอนพะครับภายายเชียงใหม่ก็เตะให้พอเตะให้ดหูทีนี้ก็หลวงปู่จามสองโอนนะท่านก็ไม่ว่าอะไรละแพอน่ก็พาไปเขาก็ไปให้หลวงปู่จามไปพักอยู่ที่เจดี ตาพระเขาก็อีกไปพักอยู่อีกข้างหนึ่งทางทิศตะวันตกของเจดีเลือเอาคนละข้างกันว่างั้นหลวงปู่จามเ네นี่ยกทั่งก็พักข้างหนึ่งตาพระเขาก็พักข้างหนึ่งแต่หลวงปู่หลวงปู่หนูเนี่ยอาจารย์หนูเนี่ยหลวงปู่นี่ปนขึ้นไปพักบนหลังปลายช่อนว่างั้นที่ว่าภูเขาเหมือนปลายช่อนอย่างที่ว่านะแต่หลวงปู่จามกัตบตาพระเขาเนี่เขาสร้างเจดีทางบนทางทางหางหางปลายช่อนว่างั้นแต่หลวงปู่หนูท่านไปเลือกเอา ไปภาวนาอยู่บนหลังเขาบนหลังหลังตรงหลังปลาช่อนนะพอที่ตปกตกตอเจ็ดเย็นนะี่ะไม่ยังปาทิตย์ยังไม่ตกนะทันวานนะลงผูจามทันวันนะนนะเออพอจบพอจากผีอยู่ทนนั้นนะ่ะภูมิมะตเทวดาอย่างนั้นคือคนโดยมากเขาจะไป อ, อไปคน้นไปหาทองไปหาอะไรในพระเจดีย์ไปคุยไปเกี่ยวไปขุดไปคน้นหา หาของวัตถุในพระเจดีย์เอ่อทีนี้ก็หลวงปู่จามท่านก็นั่งภาวนาตอนใกล้ค่ำระมาสักเกือบห้าหกโมงเน่ะโพเพก่อนก่อนค่ำเลยทั้งวันนะเอ่ตอตาพระขาวนั่งอยู่ภาค น, นอะฮา่างหลวงปู่จามก็เอออะไรพระขาวโอ้โหผีเอ้า อย่าไปหาพอมันสิคือจะไปหาดูมันสิเหมืนอนกันเลยนั่งภาวนาหลับตาเองทีมันก็นเดินปูนเปียนปูนเปียกเดินล้อมล้อมมุงอ่ะมุงกรดนะะโอ้ยตาประขาวอยู่ไม่ได้ออกมาหาหลวงปู่จามไปไงล่ะโอ๊ยมันผีมันมาวนเหมือนกันแอบหลวงปู่จามเว้ยภาวนาแผ่เมตตาใช่ไหมฮะดูมันเพราะในสุดตาประขาวเดินนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยมึงผ่อนผงในเช้ามา ฉันยังหาแล้วเปิดแหนบเลยวงั้นเถอะกลัวผีผีมากวนเหมือนกันพอต่อมาเอกทีนี่หลวงปู่จางว่ามันคงจะโกรธให้ตาประขามั่งพรตาพระเข้าไปพูดเมื่อวันถ้าเห็นข้าจะเตะให้ผอมมันคงจะลบ ก, กวนแต่ตาพระขาวมันคงจะมมาไม่มากวนเรามั่งพอตกตอนเย็นมาหลวงปู่จามกั็พอข่ๆมันก็ไหว้พระพอไหว้พระแล้วมันโดดขึ้นมาขี่หลังในสันทรวาน่ะ พ่อขี่หลังมันซอกกระไซเลยแล้วผมว่าเออเราก็เราก็หลุดลกเราเป็นหลานท่านใช่ไหม้องอาเวลามันกระโดดเข้ามาขี่หลังมันเป็นยังไงมันหนุยหนายเหมือนกับสัมหรีในท่านว่ากันนะเหมือนกับสัมหรีมันขี่หลังเนี่ยเราก็ซอกนะมันก็ออกไปออกไปแล้วมันไปหัวลรอกได้ยินเสียงนะท่านว่านะเอได้ยินเสียงเอา มันเป็นเสียงอะไรล่ะลงอาเสียงผู้หญิงวะจันเดก่นวามันเป็นลักษณะผู้หญิงที่มาที่มารบ ก, กวนอ่ะอทีนี้ท่านก็ว่ายเวลาจะว่ายพ้าทีไรมันก็หมกวนทุกครั้งเลยตายตาๆตจะมานั่งภาวนาก็มาโอบหลังอีกทีนี้พอตื่นขึ้นว่ามันก็ขยับออกไปทำไมแต่มันก็เดินแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยเดือนงายเนี่ยมันจะเหมือนกับข้างเข่า มันกัอีกเกียระมันบินร้อมร้อมวงน่ะบุยไว้บุยไว้บุยไว้วววลักษณะอย่างนั้นแหละทันวานนะท่านพูดให้ฟังชัดนะแล้วมันผีมากวนมัมันไม่ได้นอนทางคืนเลยพอจะนอนมันก็โดดมาทับขี่หลังขี่มันมาทับเลยต้องลุกขึ้นมาเออพอมันนั่งขึ้นมาพอจะนั่งภาวนาจะหลับพอจะนั่งมันขี่หลังเออได้คืนคืนหนึ่งคืนที่สองไอ้อย่างเก่า กลางวันไม่เป็นไรนะกลางวันเนะี่ยหลบไปแล้วก็เป็นนอนหาที่นอนมันนอนไ ม, ไม่ได้นอนกลางคืนเนี่ยนะกับูดชายอาจารย์หนูฟังอยู่โอ้มันภูมิมันแก่เหลือเกินเว้ยมันมากวนวะ่ะอาจารย์หนูก่อนออมันเป็นอะไรปะยังแล้วมันเป็นรู้ไม่รู้วะนะ่ะเออเอาภาวนาจะเป็นยังไงวะเราไม่ได้มาหาหวังทรัพย์ในดินศิลในน้ําเนี่ยมันจะมากวนทําไมวะ วันที่สามไวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังเก่าพอวันที่สี่ขึ้นม า, มาได้ยินเตจหลวงปู่ตือว่านะหลวงตู ป, ปู่ตือว่านะี่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าว่าภูมิภูมะลูกขา้าหรือว่าผีมันมารบ ก, กวนเะนี่ยให้สวดโพดิ์ส่งเหมือนกันท่านว่านนะแต่ตามไม่จริงในคาถาให้สวดวิปัสสิตนะอันนี้ท่านว่าหลวงปู่ตือว่าให้สวดโพดส่งนะจามเนอนะ ตอนนีพอท่านท่านก็เอาหนังสือไอ้ติดย่ามไปด้วยเนี่ยเจ็ดตำนานนะท่านก็ไปเอาไปท่องอะไรนะเอีไปท่องไม่ให้มันเพื่อให้มันชัดเจนเหมือนนถึงไม่ให้มันผิดพลาดนะโพธิ์ชังโกจะได้สังข้าตัวธรรมานังวิทยโยตธาวิริยังปีติปัจจัทตินจนในคลองพอตกตอนเย็นมาประมาณห้าโมงธันวั น, นะยังไม่ค่าแล้วตะเวนพระตะ ว, วันยัง ยังยังสองแสงอยู่ด้ท่านก็รีบทําวัดเลยเพื่อมาให้มันค่าไปเพื่อมาให้มันผีมากวนเหมือนกันเอ้พวกมันจะว่าผีหรือวจะบัตรลุกขะหรือภูมิมะก็ไม่ไม่ทราบแล้วงเ่ะือเพราะฉะนั้นท่านก็ไหว้พระตั้งแต่กลางวันเลยทําวัดเลยทำวัดเสร็แล้วก็สวดโพธิ์ชงเลยนั่งปโนมือก็สวดสวดจบสวดจบสวดจบสวดจบไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะพอสวดแล้วมันไม่มาใกล้จริงเลย พอดึกดึกเดือเข้ามาสวดสดวดเขาไปจนจิตสงบท่าเนั่งแน่วลงเลยบาดเลยตะกอนมันมันเอาลงไม่ได้มันจิตมันไม่สงบแต่ข่าวนี้พอจิตสงบแน่วเท่านั้นแหละพอเน่งเท่านั้นเกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาในใจแล้วให้ข้าแบบมันเป็นกรสินขันวานะพอเป็นกระสินจากนั้นก็มองไปหาคนไปหาตรงนั้นเลยไปหาที่ที่เป็นที่ว่าเป็นภูมิ ลุกขะเทวดาเนี่ยพอไปเห็นท่าเลยเห็นเหมือนกับผู้ชายออพอมาท่านก็ตะโกนตะโกนเฮ้ยมันมาโกนทําไมพวกในี้อีนีอมันก็วิ่งเพราะกระแสกสินเนี่ยมันเหมือนกับแสงเหมือนกับไฟเลยมันแพ่งไปหาใครมันไหม้ไปเลยมันร้อนไปเลยมันก็ร้องจ้ากเลยว่างั้นแ่เปนสามคน เอบอกเจ้านายบอกให้มามาไล่ท่านเหมือนกันเพราะว่านั้นเท่าก็มองไปหายแถ่ไหนเจ้านายพอไปเห็นเหมือนกับผ้าสรงแขกเนี่ยนะมันนุ่งผ้าสรงแล้วผ้าพาดบ่าเออเจ้าเจ้านายมันนะผ้านุ่งผ้าสรงแล้วมีผ้าพาดบ่าอข้างหนึ่งนะถือมือกับถือแจกันเนี่ยข้างข้างซ้ายนะมือถือแจกันแล้วก็มีในแจกร์เนี่ยเหมือนกับ มีแก้วลูกหนึ่งเท่ากับไข่ไข่ไก่เนี่ยนคะรไขไป่ปไข่เป็ดจะว่าไข่เป็ดก็ใหญ่เกินไปเลยแต่จะว่าไข่ไก่ก็จะเล็กไปทันวันนะอยู่ในอยู่ในแจกันอยู่ทางซ้ายมือมันแต่ทางขวานี่มันถือพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระพุทธรูปถืออยู่ในมือขวาท่านก็ถามว่าเอ้าเมึงถืออะไรอมึงถืออะไรในมือมึง เฮ้ hey, สมณะเป็นพระไม่ซ้ำรวมบรนว่าเนียผีกระดูกเป็นเหมือนกันเนีเ่ยเฮ้่นว่านะ่ะไม่ซ้ำรวมอ้าวกูก็ถามมึงดีๆเนี่ยว่ามึงถืออะไรนยมึงมาเป็นผีอย่างนี้มึงจะไปตกนรกนอีกเหรออ้าวทไมมึงจะพูดไม่สุภาพอกูก็ถามมึงดีๆว่ามีอะไรในมือเน่ะโอ้ขอโทษขอโทษพระคุณท่านขอโทษอันนี้คือแจกันอันนี้เป็นแก้วนะ เ, เป็นแก้วอยู่ในน่ยนะ อันนี้คือพระพุทธรูปทองคํานี่แหละเวลาเขามาขุดที่ไรเนี่ยผมจะต้องเดือดถือทองคํานี่หนีออกจากที่นี่ตลอดเลยนะรักษารักษาแก้วอันนี้กับพระพุทธรูปทองคํำนี้ออกจากเจดีย์ทุกครั้งที่เขาจะมาขุดคน้นหอดเราไป ม, มาฝังทรัพย์ในดินสินในน้ํานะอย่ามาโยงในต่างคนต่างอยู่นะ นะอย่ามาเกี่ยวข้องกันนะเรามาภาวนานะบอกเขานะเออนี่ยเขาก็บอกครับผมจะไม่ผมจะไม่ไปรบกวนผมขออยู่ที่นี่ได้ไม่เอาได้แต่อย่ามารบกวนกางต่างคนต่างโยหลวงปู่จามวานะอย่างนั้นเขาก็เลยไปอยู่อยู่อีกในเพิงข้างหนึ่งแต่ก็มีผู้หญิงมองไปแล้วเห็นผู้หญิงเขาแต่งตัวก็ไม่สุไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่คือถ้าว่าเป็นผีก็คงจะเป็น เป็นเที่ยวเทียวได้ที่อยากจนพอสมควรนะด่นวานะ่แต่ด้พอต่อมาอีกเ้อนเคาะไม้เลยแต่นี่ไอ้เคาะขอนไม้เลยเอ้ยมันมาตายหาตายยังมาผีมาเนี่ยสันธนวาเนี่ยเจ้หนูแบบคนปากโป่งเลยเออเคาะขอนไม้เพอตอนช้ามาหลวงปู่จามก็เลยถามมาเอ้ยอา้วเจ้หนูเคาะขอนทาไมไปหาภาวนาโอ้ยมันไปกวนเมื่อคืนเนี่เหมือนกันนะ อาจารย์หนูไปกวนมันไอ้ผีผู่มัทลุขะไปกวนเพราะนั้นจากนั้นก็นเลย ห, หลวงพ่อได้ไปจำบรรษาที่วัดปอยดอยแม่ปังหลวงพ่อก็เลยถามอาจารย์หนูทีนี่ให้คุยอจารย์กริงมมดเอยที่ไปภาวนาอยู่ที่อำเภอฝางที่ว่าผู่มัทลุขะเทวดา ม, มาลบ ก, กวน มันจริงมันกูอาจารย์เนี่ยที่หลวงปู่จามว่าคือเป็นตูเป็นตาที่เราคุยอาจาย์มาว่าให้จริงนั่นแล้วพอนั้นพอมันผีตัว น, นั้นมันขึ้นไปขี่หลังอาจารย์จามแล้วมันไม่ใช่แต่ขี่หลังมันล้วงลูกกระโปรงอาจารย์จามอีกถึงล้วงทางหลังผะเราได้ยินเรายังหัวเราะเออแต่หลวงปู่จามไ่แต่มันได้พูดว่าล้วงล้วงลูกกระโปรกง ก, กันแนตะ่แต่อาจารย์หนูเป็นไปเพื่อนกันเป็นเล่าให้หลวงพ่อฟังอู้ มันเป็นจริ ง, รงๆตัวนี่หลวงพ่อก็ยังคิดถึงว่านะนี่หลว ง, งพ่อได้ยินได้ฟังนะนี่เราพวกเราได้ยินได้ฟังก็ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธนะหลวงพ่อได้ยินมาอย่างนั้นผมพ่อก็บอกลเล่าลูกให้ลูกหลานฟังนี่เราหลวงพ่อว่านะเมื่อสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วนะใครจะเป็นไปเป็นลูกหาเทวดาภูมิเทวดาไปรักษาพระเจดีย์หลวงพวว่อก็ไม่ว่านะแต่หลวงพวว่อไม่เอานะ พอสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อจะเอาต่บุญคุศลเข้าสู่จิตใจแหละเข้าไปสู่สวรรค์นิพพานหลวลงพ่อจะไม่มากยอ่ยองเกี่ยวเลยพอสร้างวัตถุก็รู้อยู่แล้วสร้างสท่าไหก็พังเท่านั้นแหละแต่ร่างกายของเราเกิดมาแล้วจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแก่แก่และเจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายนี้ก็เหมือนกันหนึงจะสร้างดีขนาดไหนก็เถอะ ถึงจะเอาสร้างเอาเงินเอาทองเอาแก้วเพชรนินจินดานมาสร้างเขาก็จะมาทําร้ายทําลา ย, ลายต่อไปภายภาคหนาเห็นไหมพระพุทธโูกเมืองลาวเนะเออมากขนาดไนะหนสมัยก่อนพอฝรั่งเศสมายึดเมืองลาวได้นะ่ะออขนพระทองไป <c oughs> เป็นลูกปืนเป็นลูกระเบิดในเมืองฝรั่งเศสเนี่ยเนี่ยอวัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสร้างขึ้นมาแล้วอผู้ไทยเขาได้บุญเาก็ได้บุญไปแล้ว เดีวใครจะเอาทำอย่างไงต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ว่ากันใครจะสร้างบาปใครจะสร้างบุญอย่างไงต่อไปภายภาคหน้าถ้าเขาเห็นคุณค่าเขากจะจ้องรักษานี่ยถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าแล้ว เ, เขาจะไปรักษาได้ยังไงก็เหมือนพระพุทธรูปในอินเดียเนี่ยเห็นไหมล่ะเออนทุบมือบางทุบนิ้วมือบางทุบจมูกบังทุบหูบังพระพุทธลูกหาองค์สมบูรณ์ยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่เห็นคุณค่าเ ยุคหนึ่งคนไม่เห็นคุณค่าเขาก็ต้องทำร้ายทำลายแต่คนที่เห็นคุณค่าเขาเจะรักษาไว้อันนี้เรามาถึงยุคของเราเราเห็นคุณค่าควรสร้างพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาถูปารหาบุคคลสี่จำพวกสร้างเพื่อพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิอันนี้คือสมควรที่จะสร้างสถูปพระเจดีย์ บูชาเทอดทุนบูชาทัวถูพระราบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆัคนนะที่จะยินเสียงหลวงพ่อทุกคนเนี่ยให้ฟังเอาไว้เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาหลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาอยู่แถวอำเภอเ พ, อพลานะ้าเน่ยท่านภาวนาท่านยังไปเห็นสองผีสองผีน้องเนะ่ย จ, จะสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จนะอันนั้นหลวงปู่มั่นก็มีถ้าใครอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ที่หลวงตามหาบัวเขียนนะก็มีเพราะอะไรเพราะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงห่วงหาอะไรในวัตถุนะแต่ตามไม่จึงไปห่วงธรไมแต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราเ อ, อีกสักวันหนึ่งนะเขาจะต้องเอ า, เอาไปเผาไฟทิ้งร่างกายของเรานะเราเอาแต่บุญกุศล น, น, นะเพราะร่างกายนะเป็นรูปประธรรมแต่จิตใจคือนามธรรม รูปธรรมและนามธรรมอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีอยู่สองรูปธปรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจเอออาศัยกันอยู่แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเออแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องคนขับรถมากกว่ารถ รถอีกสักวันน่งจะต้องพังสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนะไม่ตายนะทตายเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงออพอออกจากชาตินี้ไปถ้าใครมีบุญมีกุศลติดใจนะบุญกุศลก็ส่งไปสู่สวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยสวยงามมีสติปัญญาบุญกุศลนําส่งไปถ้าว่าใครทําบาปอกุศลบาปกุศลกัพาลงไปตกนรก พาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานงพช้างหม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เกิดมาเป็นมนุษย์ของหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตงๆงกงานงานที่พวกเราเห็นนะคือบาปอคุศนพาไปถ้าบุญกุศลพาไปกันเนี่ยนะพวกเราคงจะไม่ได้บุญมากมัง้งมาได้ขนาดนี้ก็นับวันดี้วดับ น, นะเอถ้าบุญมากกว่านี้เราเป็นเศรษฐีมันจะทุกข์อีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันนะนะั่นน่ะได้ขนาดนี้ก็เอาละ ได้เป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้เป็นศรัทธาญาติโยงแต่ข้อสำคัญอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญนะคณะศรัทธาญาจโยในหลักของพุทธศาสนาเลยตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอันนี้พวกเราให้ศึกษานะอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งปฏิเสธแต่ให้เชื่อกูบาอาจารย์ไว ดีกว่านะยัดีกว่าไม่เชื่อนะถ้าไม่เชื่อแล้วมันจะตกตรงไปต้งลงไปทางต่ำนะจะตกนรกหมกไหมไปได้ง่ายๆ่ายใ ห, ให้เชื่อไปแล้วก็ศึกษาดูเวลาศึกษาดูวิชาเวลาพิสูจน์แต่ทำยังไงหลวงพ่อในหลักของพุทธศาสนาเพระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจนที่โคลนต้นโพน์ท่านนั่งสมาธินะเหมือนกับพระปัฏฐานพระพุทธรูปเนี่ยท่านนั่งอย่างนี้แหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโทพอบริกรรมบริจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจคือตัวผู้รู้คือน้ามาทํมคือสมองนะ่ตัวนึกคิดนั่นแนหะมันรวมเป็นหนึ่งพอรวมเป็นหนึ่งแล้วสะเอนสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นรูปธรรมกับ น, นามธรรมาแยกกันได้ชัดเจนนี่แหละมันเชื่อด้วยตนเองนะเ ช, ช, ชื่อในภาคปฏิบัตินี่แหละจะรู้ได้ว่าตัวนามธรรมานะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นเทวปุถุเท ว, วดาอินพรหมไปตกนรกหมกไหมตัวนั้นแหละจะพาไปเดี๋ยวขอให้พวกเราศึกษานะ้นี่แหละวิธีการพิสูจน์ก็มีที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟัง ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโธนาให้พรรับพรนั่นจนี้นะ